การประพฤติตนที่ไม่เหมาะไม่ควร 7. ห้ามพระภิกษุสามเณรที่บวชมาแล้วประพฤติตนไม่เหมาะไม่ควรเช่นขับรถยนต์รถเครื่องรถจั ก, กรยานรถอีแตนสวมเสื้อพวกหัวสวมหมวกใส่กางเกงใส่รองเท้าผ้าใบใส่แว่นตาดำสบายเป้ใส่กำไลข้อมือจับของที่ยังไม่ได้รับประเคนที่ยังไม่ได้ถวาย และห้ามพระภิกษุอย่าเห็นแก่ความสะดวกรวดเร็วจนขาดการยับยั้งชั่งใจโดยการขุดดินฟันต้นไม้ตัดหญ้าเองเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องผิดต่อพระวินัยที่แรกทำไปก็เขินอายไปต่อไปก็จะถามว่ามีที่ไหนอีกบ้างให้ทาบางทีก็รู้ว่าผิดไม่เหมาะไม่ควรแต่ก็ทำไปเพราะความคึกขนองบางทีก็อ้างว่าไม่มีโยมทาให หรือมีโยมทําให้ก็ไม่ถูกใจไม่ทันใจและก็ห้ามพระภิกษุสามเณรเดินทางไปในสถานที่ไม่เหมาะสมที่ญาติโยมไปท่องเที่ยวไปชมการละเล่นกันเช่นสวนสัตว์สวนสนุกน้ำตกชายทะเลห้างสรรพสินค้าตลาดนัดร้านขายเครื่องเสียงขายเทปขายซีดีวิดีโอต่างๆหรือสถานที่ชุมนุมเดินขบวน ทุกวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะทำการขยายผลไปเรื่อยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคนหนึ่งทำได้อีกคนหนึ่งก็ทำตามเหมือนกับถ้าจะเอาวาดขับรถหรือมีโทรศัพท์มือถือหรือตัดต้นไม้ลูกวัดก็จะทำตามทีนี้จะบอกกันเตือนกันก็ไม่ได้เพราะทุกคนก็ทำเหมือนๆกันกลายเป็นประชาธิปไตยไปหมดธรรมมาธิปไตยก็หายไปการกระทาเหล่านี้ เป็นการเหยียบย่ำพระธรรมวินัยให้สูญหายไปให้พระภิกษุสามเณรทุกท่านช่วยกันสืบทอดจันโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้รุ่นลูกรุ่นหลานอย่าพากันทำลายทางอ้อมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ใช้สอยได้อยู่อาศัยนี้ก็ได้มาจากพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางระเบียบแบบแผนได้ดีแล้วให้เราพากันกระตันอูต่อท่านเหมือนอย่างเราบริโภคผลไม้ เราก็ไม่ควรที่จะไปทำลายต้นทำลายกิ่งก้านของต้นผลไม้นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพระพิษุสามเ น, นินที่ล่อแหลงต่อการประพฤติปฏิบัติจึงให้ควรระมัดระวัง